อยู่ในเครือข่ายนั่นแหละเครือข่ายสัรพสัตว์ในโลกนั่นแหละไม่รู้ว่าเรื่องอะไรละจะมาเกิดกับเราเราก็พร้อมที่จะรับกรรมของเราที่ได้กระทำไว้ทั้งในอดีต ท, ทั้งในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราเห็นไรไม่ยอมรับได้อย่างไรมันมาเกิดกับเราแล้ว เพราะชีวิตของมนุษย์ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนั้นถ้าเกิดอยู่ในโลกวัตสงสารเว้นเสียแตรรมจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถึงแดนพณนิพานนั่นหละเป็นแดนแห่งความกเกษมสำราญมดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารเป็นอนันตการนั่นะจุดหมาย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 หลวงตามหาบัวหลวงปู่จ้ามหลวงปู่แววนที่หลวงพ่อเคยจำบรรษากับท่านกันอกนั้นกับไปมาหาสู่หลวงปู่ซิ้งทองหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ฝันหลวงปู่ิบชิมหลวงปู่วันครูบาอาจารย์ที่เราให้ความรักเคารพนับถือสรุปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น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 แต่ละตระกูลทั้งหลายแต่ละพ่อทั้งหลายบางคนก็แนนาจิตต่างนานาทัศนะเอาแนวเรื่องเรื่องหรืรสีชีพัยบ้างเอาเรื่องกรรมาฐานอย่างอื่นที่ตัวเองว่า ด, ดีแล้วเอามาปฏิบัติบ้างเพ่งอย่างง้นเพ่งอย่างนี้กําหนดจางนั้นกําหนดจางนี้ดูใิมิตจังนู้นดูใิมิตอย่างนี้ เข่าทรงอย่างนั้นเข่าทรงอย่างนี้เข่าสียงอย่างนั้นเข่าสียงอย่างนี้เทววดาอย่างนั้นเทวบุตรอย่างนั้นมีมากหลากหลายเริ่มจะเห็นเห็นออกมาออกมาเป็นระดับระดับติวงเนี่ยติโลพอนคิดวิถกกังวลคือจะห่างเหินออกจากแนวแถวแนวปฏิปทาหรือแนวปฏิบัติของ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 อนุสติ10บนั้นท่านเอาสองอย่างมาใช้มาปนวกกันคืออนุสติก็คือพุทธานุสติธรมานุสติสังคารจนถึง10แต่ใน10นั้นมีพุทธานุสติกับอาณาปานสติอาณาปานสติแปลว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือ กรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราสอนลูกศิษย์ของท่านสอนลูกของท่านตั้งแต่หลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ฟั่นหลวงปูข่ขาวถ้าเราในดูในในธรรมเลขิดของแต่ละองค์ในประวัติของแต่ละองค์ให้ศึกษาดู ป, าประวัติหลวงปู่ขาวลวประวัติหลวงปู่รุ่น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 ติดใจให้เนิ่งให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้าพดแล้วหายใจออกโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกถ้ามันเผลอไปให้กลับดึงกลับมาเอกมันเผลอไปให้กลับมาเอกแต่ถ้าเรานั่งไปภาวนาไปมันลมหมด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 มันหลงละหลงซ่อนหลงเงืหลงเงื่อนแล้วนั่น ถ, ถ้ารู้ว่าเรหมดใครรู้ว่าลรหมดก็รู้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นแต่บางคนก็ถามว่าจิตต้องผ่านอัปปนาสมาธิเสียก่อนใช่ไห้จึงจะพิจารณาได้ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้งนานๆมันจะเข้าได้ครั้งหนึ่ง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 เออมันเน่าเฟะมีแต่ตั ว, ตวนอตอย่างนี้หรือเห็นคนตายอย่างนี้เอ่อมันแห้งเหี่ยวไปหมดเน่าเฟะไปหมดเอ่อบางทีก็มีตะกระดูกอย่างนี้แหละเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างนี้แ่ะเราก็น้องมาหาตัวเองเราเปรียบเทียบนอกอันนั้นคือเปรียบเทียบนอกแล้วก็มาเปรียบเทียบในก็คือตัวเองข่านอีสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่เผานะเขาจะถือเป็นอาจาร ย, าย์ใหญ่นะเขาออกไปสตารอยู่อย่างนั้นน่ะ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 เราจะมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นปัญญาของเราควบคุมจิตไม่อยู่สติของเราควบคุมจิตไม่อยู่จิตของเราออกนอกรูกนอกทางเพราะนั้นต้องบังคับให้ใจของเราอยู่นิ่งฟังเทว่ย บ, บังคับการเดินกับขาบังคับขาขวาพุทธขาซ้ายโร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 กไปเรื่อยๆตาแข็งขึ้นเรื่อยๆื่อจะเป็นบ้าเอาเถอะหนึ่เพราะอะไรเพราะจิตใจทรงออกนอกนี่แหละจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่พอจิตใจพอนั่งภาวนาจิตใจได้ความได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาก็หลงไหลในนิมิตพอหลงไหลในนิมิตก็หลงทางพอหลงทางไปลักษณะเกิดวิปัสสนูทถอนอุ ป, ปกิเลส กิเลสเข้ามาแอบแฝงในตัวตัวเองว่ารู้ๆนั่นแหละหอันนี้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปหลงนิมิตนะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะอย่าไปดูตามนิมิตนะในเมื่อเห็นนิมิตจะเป็นเทวดาเทวปุตรอินพรมคนล้มคนตายสิ่งไหนก็ตาม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 นั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนจะไปเห็นเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเราถือไฟฉายแล้วก็ส่องไปเนี่ยเมื่อเห็นไฟฉายก็ส่องไปมันก็เห็นเน่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันน่าจะเห็นเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นสัตสลายสิ่งเห็นยังอะไรแล้วมันได้อะไรสิ่งที่เห็นนั่นมันได้อะไรสิ่งที่รู้เหล่านั้นมันได้อะไร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 ให้ระวังอย่าไปตามอย่าไปเชื่อและอีกสักวันน่แหละเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าพูดง่ายๆ เ, าเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราต้องหันกลับเข้ามาสู่หลักวิปัสสนาเลยเสู่สมถะเบื้องต้นไลยกำหนดลมหายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงบริกรรมพุโทโธยังไงปฏิเสธเลยไม่เชื่ อ, เ, อเราไม่เชื่ อ, อถึงเราจ ะ, จะเชื่อขนาดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อ ต้องปฏิเสธไว้ก่อน น, น, นิมิตเหล่านั้นแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งเป็นนิมิต ท, ที่บ่งบอกอันนั้นมันอีกส่วนหนึ่งนะพูด ม, มีนิมิตบอกบอกไปในทางที่ดีนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความจิตใจของเราเป็นหลักดีแล้วเนะี่ยนิมิตเหล่านั้นจะบอกขึ้นมานี่ยมันเพียง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 เป็นไม่ปัดสนูปัดเกลดได้ง่ายๆอีกสักวันหนึ่งต้องได้ขังต้องได้ฮอร์โรงพยาบาลทำแตกและสิเนี่ยนะสียงเหล่านี้ให้พวกเราสำนึกไว้อยู่เสมอให้ฟังครูบาอาจารย์ไว้อยู่เสมอถ้าเห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นเราไม่มั่นใจให้ย้อนเข้ามาหากรมมะฐานเดิมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธและก็น้อมเห็นเสียงทั้งหลายทั้งปวง เหมือนกับเราเห็นดินฟ้าอากาศเป็นอนนจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิช่ตัวตนของเราให้น้อมมาสู่ไตรักถ้าพวกเราเห็นอะไรให้น้อมมาสู่ใต ร, รักนั่จะไม่หลงอันนี้แหละอันนี้คือแนวแถวปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านในแนะนำอบรมสั่งสอนให้พวกเราศึกษาจุดนี้ให้พวกเราศึกษาให้สังเกต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 มีแต่ป้อนข้าวป้อนข้าวป้อนน้ำหามเข้าไปห้องน้ำห้องถ่าต้องมีผีเลี้ยงร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันไปในในแถวสายแนวนี้พอได้สุดถึงจุดจบหมดลมหายใจเข้าออกเจ้านั่นก่อนเอาเข้าหีบเข้าลงหลังจากนั่นก็ไปไปชมเพลิงพระราชทานเพลิงก็สุดแท้แต่ เอาไปเข้าหงสุยเอาไปฝังดินก็สุดแท้แต่ผู้ใดจะทำอะไรในแนความคิดของแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละคณะแต่ละเชื้อชาติเพราะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอยากจะให้ธาตากจะทําจิตใจให้สงบ